เรอวิชชาตันหาที่พาให้เกิดใช่ตายทั้งเรื่องวิมุตตหลุดพ้นใช้กันว่าในอวิชชานั่นแหละว่านิโรธโอโหโติหนะักอวิชาาวชาอาาวิชชาจะตีว่าเสสวเวลากาลิโรธาสร้างฆาลาโรโทเป็นต้นจนกระทั่งถึงนิโรธโอโหโติหนะักที่แรกอวิชชาปญาสร้างฆาลาเลือดไปก่อนจนสมุทัโยโหโติอันนี้เป็นเชือดอันสาคัญที่สืบหน่อต่อขแขนงกันไตแล้วล้วนแล้ว เอวเมตาาเาสากิวราษฎรุขขั้นทศชาตสมุทรโยโฮตินี่คือล้วนแลวตั้งแต่สมุทรยทั้งนั้นนะที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นอวิชชาจนกระทั่งถึงนี้ทันความหมายว่าอย่างนั้นแปลออกมาท่นี้พออวิเชอวิชชาและตะเวว่าเซสมิลคาริโรทาสร้างคาราโรตแล้วจนกระทั่งถึงเอวเมตาาเาสากิวราษฎรุขขั้นทศชาตินิโรโทโหตินี่ทั้งหมดนี้เป็นภาคนิโรดดาบที่เดือดตันหาวิชาโดยสิ้นเชิงหน่ะนันะคือเอามาทั้ง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 มันปฏิบัติหลับตาเชื่อเอวิชาจูงจมูกขาดไปมันก็เป็นอย่างนั้นที่มันยังจะถูกจูงจมูกไปอีกกี่คับกี่การมัรู้ว่าตายแล้วศูนย์แต่และศูนย์ตัวนั้นแหละตัวที่ถูกจูงไปที่ว่าศูนย์ูนย์มันไม่ได้ศูนย์่ี่หนะจูงไปตลอดเกิดตายเกิดตายเกิด ต, ต, ตายพบน้อยพบใหญ่ไม่มีสิ้นสุดได้เลยตามท่านหลักธรรมท่านกล่าวว่าไม่มีต้นไม่มีปลาย ก็คืออวิชาจูงศักด์เรื่องของวิชาไม่มีต้นไม่มีปลายท่านเทียบเหมือนมดแดงตากรอบดง้งจูงสักด์ไปให้หลงอืู่งันตลอดของเก่ามาแล้วกี่ครั้งกี่หนก็จําไม่ได้ไม่ลืมไปหมดไม้เห็นเหมือนจูงคนตาบอดเนี่ยจูงไปไหาก็จูงไปเธอเออถ้าไม่บอกมันเท่า น, นั้นมันจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นของเก่าของใหม่นะจูงไปไหนกี่ร้อยกี่พันครั้งของเก่านั้นมันกม็มีทางรู้ได้คนตาบอดนะ อันนี้นมันกันหัวใจท่านลงบอดด้วยอํานาจของอวิชาปิดบงังแล้วมันก็เป็นทํานองเดียวกันมาเกิดกี่ภพ ก, กี่ชาติจีกับกี่กันของเกา่าของใหม่ซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่รู้กี่มืน่นกี่แสนกี่ล้านครั้งที่ซ้ําไปซ้ำมามันก็ไม่รู้มันก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจีเลต์มันถึงครอบงาอีกว่าตายแล้วสูนหนักที่ไหอถ้าศูนแล้วจีเลตมันอยู่กับอะไรเมื่อจิตใจทุกดวงก็สูนไปแล้วจีเลต์มันมีมันมีอํานาจ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 ให้เดือดร้อนหุ่นวายให้ทุกแต่ไม่คิดหายใจตรงนี้นะ่ะผิดกันตรงนี้เท่านั้นเองมันจูงศาสตจุงอยู่อย่างนี้เอาอธิบายเข้าไปถ้าท่านท่านทลายอยากรู้เอาที่ปัญญามีหลักที่จะคาค้าพระเกเรจริงๆถ้าอาวุตที่จะฆ่าเกเรจริ ง, รงสติกับปัญญาสําคัญมากทีเดียวเป็นเยี่ยมะไม่ห่างจากนี้ไม่ได้เลยตาสจากนี้ไม่ได้สติกับปัญญานี้หมุนตัวเป็นเกี่ยวเป็นเดียวกันอย่างที่ท่านว่าภาวนาวิญญา จนกลายเป็นมหาเศรษฐีมหปัญญาไปจากภาวนาเมยปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนแล้วนี่พระเจ้าทรงรู้แล้วภาวนาภาวนามยาปัญญาก็ทรงรู้แล้วมหาเศรมหปัญญาก็ทรงเป็นมาแล้วบิมุดหลุดพ้นก็ทรงเป็นมาแล้วอวิชชาปัญญาสร้างข้าร า, าก็พระองค์ก็เป็นนักเกิดเกิดเกิดตายมาแล้วเอจนกระทั่งถึงสงุวรรณเดียโหติพระองค์เป็นหมดแล้วแล้วทีนี้ย้อนกลับอีกว่าอาวิชาสิ้นรากไปโดยลําดับลำํำนาไม่มีอะไรเหลือเลย ก็พระองค์ก็เป็นมาแล้วแล้วนําเรื่องนี้มาสอนพวกเรานําเรื่องความมีความเป็นความจริงนี้มาสอนไม่ได้นําความศูนย์มาสอนเราทําไมเราต้งไปเชื่อชิ้เล็ดว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์หมดนี่ละกองทุกที่สัตว์ทั้งหลายนี่ตายกันอยู่เพราะความหลงกลมายาวของชีเล็ไม่ได้ยอมฟังเสียงธรรมพระเจ้าที่เป็นของจริงนี่เลยให้เราฟังหลายฟังให้ถึงใจสิอืมนี่พูดอย่างถึงใจนั่นนี่พูดนี่เคยโดนกันมาอยู่แล้วนี่เราสู้กับพวกนี้มาพอแล้ว ไม่ใช่เอามาพูดอย่างปล่ปาไม่ว่าไม่ใช่บัดนเรื่องพระเจ้ามาพูดอันนั้นเป็นหลักฐานอันใหญ่ที่ผู้ที่เจ้าทรงเป็นมาแล้วแล้วหลักฐานอันใหญ่สําคัญที่เป็นคู่เป็นพยานกันเรียกว่าสารทิฏิโกดเราต้องปฏิบัติสิให้มันรู้มันเห็นอยทันทีนี้พูดจย่างอาถรรไม่จะทกสถานเพราะเป็นความจริงอย่างนี้แล้วขอ้ขอในคอนี้เราก็เห็นดังพระเจ้าท่านเป็นศาสตาพระองค์เดียวสันสอนโลกในทั้งสมโลก ท, ทําไม่ถึงสอนได้ทั้งสาโลกหลักคนอื่นใครสอนได้มีไหม ก็เพราะความรู้ความสามารถของพระองค์ที่เห็นพระจักรพระไทยนั่นเองเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่รู้อยู่นี่หนะนี่ไหนนะทําไมจะไม่อาจฐานเห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่นี่นี่เห็นใหม่เห็นใหมยนอกจากคนตาบอดไมเห็นท่านตาดีท่านเห็นท่านชี้ให้ดูชี้ดูนี่เห็นใหม่ใหม่เหมือนรอยอยู่ในฝ่ามือนี่ดูซิดูนี่อยู่ในฝ่ามือผู้ตาดีก็หยิบได้เห็นได้ตามท่านนั่งที่ว่าอุกติตรยูวิปิวปิตรยูเนยยะนี่พวกนี้รู้ได้เห็นได้เป็นลำดับหนาพวกนี้ หูผีหูมีตารู้ตามพระองค์อืพวกปัททะปะมะมันก็หมดท่ายอมไม่กิเลสลากจมูกไปขาดไปเรื่อยๆไปไม่ไม่มีเส้นสุดเลยแต่ว่าต า, ายแล้วศูนย์ตายศูนย์อย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ลาบพวกที่ตายแล้วศูนย์นี่เระให้ไ ป, เ ป, เ, ปเป็นทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาเพราะความจริงมันไม่ศูนย์เนี่ยนะโอ้ยเจ้าทรงรู้หมดแล้วในเรื่องเหล่นี้อย่างที่ว่าปัญญาปัญญาอย่างที่ผมพูดตะกี้นี้เรายอมรับ ถึงขั้นมันเป็นของธรรมผู้ปฏิบัติทําไมจะไม่เชื่อพระเจ้า ส, สดสดร้อนๆนั่นเป็นอยู่ในหัวใจเรานี้เป็นในหัวใจพระเจ้าฉันใดก็เป็ น, นหัวใจเราฉันนั้นแน่ถ้าเรื่องค่ากิเลสก็เหมือนกันถึงระยะที่สติปัญญามีพอตัวแล้วมันเป็นอย่างที่ว่านี่จริงๆยุ่ไหนก็อยู่เถอะในเยาวตั้งสีจะไม่มีปัญหาใดเลยมากจีบมากวังกิเลสตัวใดปลาบดขึ้นมาพังทังหมดให้หลงสติปัญญานี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วโดยหลักธรรมชาติโดยอัตโนมัติทั้งตัวเองเพราะ อ, อํานาจของ สติปัญญาขั้นนี้มีพอแล้วไปเอเองไม่ต้องไม่ต้องมาฝึกมาอารมนี่ขั้นขั้นเป็นเองเป็นอย่างนั้นขั้นที่ยังลมลูกาคู่ครานก็เหมือนอย่างเราตอนท่านต้องหลายที่ปฏิบัติอยู่นี้แหละเอาเกือบเป็นเกือบตาก็ให้มันเหยียบเอาเหยียบเอ า, เ อ, า, เ อ, า, เ อ, าอยู่นั่นน่ะเหมือนริ้งครกขึ้นบนจมปลวกขึ้นมาริ้งตปมันมันริ้งทับหัวเราต่อหน้าต่อตาเพราะเราไม่มีกําลังสามารถต้านทานมันไม่ได้นี่กิเลส ซึ่งเป็นเหมือนครบก็เหมือนกันเวลามีอำ น, นาจมากมันกิ่งทำเราอย่างนั้นเหมือนกันผมเคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่ามาคุยอวดหมู่เพื่อนนะผมพู ด, ดตามความจริงบางทีน้ําตาร่วงกัดฟันนะ่ะเมื่อไหร่กูจะได้เอามือสักทีนะ่ะสักหนาหนั้นนะนี่แหละที่ ท, ที่ยกตัวอย่างเช่นอย่างข้าวที่ว่าจิตเสื่อมนั่นแหละเราได้เห็นมาจากตัวทีเดียวคิดข้าได้บ้างไม่เข้าได้บ้างแต่ก่อนเข้าได้สนิทสนิทสนิ ท, นทเหมือนหินนะเวลา มันเป็นจิตเต้นสมาธิแน่นเหมือนหินสุดท้ายมันก็มาเสื่อมเพราะความไม่นอาครอบของตัวเองไม่รู้จักวิธีรักษาดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเสื่อมไปแล้วต้องปีมันเข้ามันขึ้นไม่ได้มันกลับตัวไม่ได้เจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงเจริญขึ้นแล้วแหละเสื่อมลงมีแต่เครียดแต่แค้นเหมือนกับว่าสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นเองเครียดก็เครียดแค้นก็แค้นแค่ใหนเสือแค่เคียแค้นให้เสือแต่เราจะสู้สู้ันไม่ได้เรามีกำปั้นมันมีเล็บมี มีเชี่ยดมันกัดเอากัดเอาตะป บ, บเอาเลือดสาดเลือดสาดเรามีตะกํางปั้นซู่มัมได้แต่แค้นเทียบแ ค, น, แ ค, น, แคนนี่พ่อขึ้นหัวมันได้แล้วเอาเลยเอาอยู่นะที่นี่เทีเยบก็าอีกเป็นกองมาณน เ, เหมือนกับช้างเมื่อขึ้นตะพอมาแล้วขอกระห น, นํามันลงไปเลยเราจึงได้เชื่อเรื่องพระโคติกกัดท่านเจริญชานมาถึงห้าขนหกขนเสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริญข้างที่ข้างที่หกดวงนั่นนะ ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ห้านี่แน่แล้วขั้งที่หกผมยังมีสงสัยอยู่นี่พระโคติกัดนั้นเนี่ยมีในประวัติในธรรมบทซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนของประเดียนสามประโยคนั่นพระโคติกัด น, นี่ฌานท่านเจริญสมาธิสมาบัติเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสือมถึงห้าหนจ น, นกระทั่งถึงจะห้าตัวตายน่น นั้นพิจารณาสิเราไม่ต้องเอาไปมากกว่านั้นเราบอกึนถึงจะฆ่าตัวตายนี่ก็ถึงจุดอันสมบูรณ์แล้วเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลามัมมนมันเสื่อมลงไปนี่ความเครียดความแค้นนี่แม่ทุกข์นี่ทุกแสนสาหัสไม่มีอะไรทุกข์ยิ่งกว่าในหัวใจเรานะไม่มีอะไรทุกข์ยิ่งกว่าสมาธิเสื่อมแต่ก่อนไม่ได้สมาธิไม่เป็นจิตไม่เป็นสมาธิมันก็เทียบกันหน้ากับคนที่เขา หาข้าวจินเย็นนั่นเนี่เขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเขาจะเอะไรมาเสียใจเพราะความล่มจมของเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเราเขาหาข้าวจินเย็นเขาสบายกว่าคนมีเงินแสนเงินล้านที่ล่มจมเพราะเหตุการณ์เหตุการณ์อะไรหนึ่งนั่นพวกนั้นจะร้อนมากที่สุดนี่ก็เหมือนกันคนที่ไม่เคยเจอสมาธิก็จะเอะไรมาเดือดร้อนนี่เคยเจอเคยเป็นมาแล้วเวลาจิตเสื Bref, <qui nie S 1> 對對่อมนี่ไม่ ร้อนเป็นฝืนเป็นไฟอยู่ไหนหาความสะดวกสบายไม่ได้แต่มีอย่างหนึ่งที่น่าชมอยู่คือไม่ถอยเอาใช้ได้อะเครียดแ้นเครียดแค้เนเพื่อสู้จนกระทั่งถึงผิดได้เข้าสู่ภาวะเดิมแล้วไม่เสื่อมนั่นแหละที่นี่นะเอาอย่างนั้นอย่างหนักเลยเนี่ยในชีวิตของผมหรือในการปฏิบททัติของผมก็มีพรรษานักจิทิวาเลยล่ะคือพรรษาเก้าเก้ากับพรรษาสิบ